วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมกราคมพุทธศักราชสองพ้าสเป็นวันที่ท่านั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเตือนสติให้เราคำนึงถึงความเป็นจริงของชีวิตของพวกเราทุกคนว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของชั่วคราวมันก็จะต้องมีวันที่จะต้องเสื่อมลงไปเรื่อยๆ จะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาต่อไปอย่างแน่นอนในขณะนี้เวลานี้เรายังมีความแข็งแรงสามารถทำอะไรต่างๆได้อยู่เราก็ควรที่จะมาศึกษากันว่าเราควรจะทำอะไรกันดี เพราะการกระทำนั้นมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมีทั้งคุณมีทั้งโทษ <c oughs> ถ้าทำในสิ่งที่มีคุณก็จะเกิดประโยชน์สุขกับจิตใจของพวกเราถ้าทำในสิ่งที่มีโทษก็จะทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรานั้นไม่ให้ลืมว่าชีวิตของพวกเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วเราจะต้องพบกับความแก่เป็นธรรมดาพบกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาพบกับความตายเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายก็คือต้องเจอกับความทุกข์ทางด้านจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง พวกเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เราต้องศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงวิธีที่จะทำให้ใจของพวกเรานั้นไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับการพลาดาดจากกัน เพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำกันได้เราไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆของร่างกายไม่ว่าเวลาร่างกายนี้จะแก่ลงไปจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายไปถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติ ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราก็จะสามารถที่จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เพราะความจริงก็คือร่างกายกับเรานี้เป็นคนละส่วนกันเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิด ผู้ที่มาติดกับร่างกายเหมือนกับแฝดสยามแฝดสยามนี่เป็นคนสองคนแต่ไม่ได้แยกออกจากกันติดกันที่ด้านข้างอินกับจันนี่เป็นแฝดสยามผู้แรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นคนสองคน แต่จำเป็นที่จะต้องไปไหนมาไหนร่วมกันเพราะเกิดจากความบกพร่องทางธรรมชาติของร่างกายที่มายึดติดกันมาเกาะติดกันซึ่งในยุคก่อนนั้นไม่มีไม่มีวิชาความรู้ที่จะพาแยกร่างกายออกจากกันได้โดยที่ไม่ทำให้ร่างกายทั้งสองร่างตายไป แต่ในสมัยนี้วิชาการทางแพทย์เจริญก้าวหน้าสามารถที่จะแยกแผดที่เกิดมาคู่กันออกจากกันได้ให้อยู่แยกกันได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องไปเป็นอะไรไปกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร่างกายเรากับจิตใจเราก็เป็นเหมือนแผลสยาม มาเกาะติดกันร่างกายเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราเห็นกันอยู่แต่ใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นธรรมชาติที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เป็นผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาผ่านทางร่างกาย และเป็นผู้ที่สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่เนื่องจากใจผู้รู้นี้ไม่รู้ไม่มีตัวไม่มีรูปมีร่างจึงไม่รู้ว่าตัวเองนี้ไม่ได้เป็นร่างกายพอเกิดออกมาจากท้องแม่ใจคือผู้รู้ผู้คิดนี้ ก็เลยไปคิดว่าใจเป็นร่างกายแล้วก็ไปมีความรู้สึกสุขทุกข์กับความสุขความทุกข์ของทางร่างกายซึ่งไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปสุขไปทุกข์กับความสุขความทุกข์ของร่างกายเลยเหมือนกับเราไม่สุขไม่ทุกข์กับร่างกายของคนอื่น ร่างกายของคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรนี่เราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาแต่ใจนี้เกิดจากความไม่รู้ว่าร่างกายกับใจนี้นเป็นคนละคนกันไม่รู้ว่าตัวเองนี้เป็นเหมือนกับมนุษย์ล่องหน ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่มาเกาะติดกับร่างกายเนื่องจากความมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโหดพพะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่จะหาได้ก็จะต้องมีร่างกาย เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกิ่รสโผฏภะชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้จะไม่สามารถหาความสุขจากราบยศสารเสริญได้ถ้าไม่มีร่างกายใจก็เลยต้องมาเกาะติดกับร่างกาย แล้วก็ไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายก็เลยไปเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายขึ้นมาทำไมเราไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายกับร่างกายของคนอื่นเพราะว่าเรารู้ว่าร่างกายของคนอื่นนั้นไม่ได้เป็นร่างกายของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายของคนอื่น แต่กับร่างกายของเรานี้ซึ่งไม่ใช่เป็นร่างกายของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเรากลับไปเดือดร้อนเพราะว่าเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายนี้เอ ง, องนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ทรงสามารถแยกใจให้ออกจากร่างกายได้ทรงสามารถปล่อยวางร่างกายได้ ร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรได้นี่แหละคือเป้าหมายของการมาศึกษาการมาปฏิบัติธรรมตามคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อสอนให้เรารู้จากตัวของเราเองว่าตัวเราเองนี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็น มนุษย์ล่องหนที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่เรามีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็เลยมาเกาะติดกับร่างกายอั น, นี้แล้วอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องมือ จึงทำให้เรานี้มีความผูกพันกับร่างกายนี้ไม่เหมือนกับเรามีความผูกพันกับร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่ต้องอาศัยเขาให้เขาหาความสุขมาให้กับเราเราก็จะไม่ค่อยไปเดือดร้อนกับความเป็นความตายของเขาแต่ถ้าเราไป มีความผูกพันเพราะเราต้องการอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมามันก็ทําให้เราเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจได้เช่นเดียวกันเช่นนอกจากร่างกายของเราแล้วที่เราผูกพันเพราะว่าเราต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ เราก็ไปผูกพันกับสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเราด้วยสิ่งต่างๆก็คือบุคคลต่างๆบุคคลคือแฟนของเราอย่างนี้เป็นต้นแฟนของเราเราก็รู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวเราแต่เราไปมีความผูกพันกับเขาเพราะเราต้องการความสุขจากเขาเขาสามารถฮะ ให้ความสุขกับเราได้เราก็เลยไปผูกพันกับเขาไปยึดติดกับเขาไปรักไปหวงเขาขึ้นมาแล้วพอเขาเป็นอะไรขึ้นมาเขาก็เราก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมามความทุกข์ใจไม่สบายใจของพวกเรานี้<ม>เกิดจากความผูกพันเกิดจากการที่เราไปยึดไปติด ในสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราแล้วแต่ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไปผูกพันกับเขาเช่นคนอื่นคนที่เขาไม่ใช่เป็นแฟนเราคนที่เราไม่รู้จักที่เราพบปะบุญท้องถนนทุกวันเวลาที่เราออกไปข้างนอกบ้านเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ไปมีความ เดือดอร้อนใจไปกับเขาเพราะเราไม่ได้ไปมีความหวังที่จะให้เขามาให้ความสุดกับเราเราไม่ได้มีเราไม่ต้องพึ่งเขาในเมื่อเราไม่ต้องพึ่งเขาเขาจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เราไปพึ่งเวลาเขาเป็นหรือก็ตายขึ้นมานี่เราจะเดือดร้อนกัน นี่คือปัญหาของความทุกข์ใจของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อยู่ที่การที่เราไปยึดไปติดเขาไปพึ่งพาอาศัยเขาให้ความสุขกับเรานั่นเองพอเขาแก่เขาเจ็บหรือเขาตายไปเขาไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้ เราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญหาของพวกเราปัญหาของพวกเราก็คือพวกเรานี้ต้องพึ่งบุคคลอื่นต้องพึ่งร่างกายของเราต้องพึ่งสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสารเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพัสต่างๆ ที่มีในโลกนี้มาให้ความสุขกับพวกเรากันพอถ้าเราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้เราก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าร่างกายเราเป็นอะไรขึ้นมาไม่สามารถที่จะพาเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เราก็ทุกข์กับร่างกาย เราก็พยายามที่จะหาวิธีแก้ไขให้ได้ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอให้หมอช่วยรักษาให้หายเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายในการหาความสุขต่อไปสรุปแล้วก็คือปัญหาของพวกเราเกิดจากการที่เราไปหาความสุขแบบที่ต้องพึ่ง ร่างกายต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องพึ่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเราเราก็เลยเกิดความทุกข์เวลาที่สิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆนั้นมีอันเป็นไปไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้ นี่คือปัญหาของพวกเรามีหลายประการด้วยกันประการแรกก็คือไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรกันแนะ่<ม>เราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็ไปยึดติดกับร่างกายไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็เลยทุกข์กับร่างกายของเรา แล้วเราก็ไปทุกกับสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราเช่นข้าวของเงินทองต่างๆทรัพย์สมบัติบุคคลต่างๆที่เราต้องมีเพื่อที่จะให้ความสุขกับเราเราก็เลยเกิดความทุกข์ใจกันเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆได้ พระพุทธเจ้าทรงเห็นปัญหาของใจของพระ อ, องค์เองว่าต้องอาศัยสิ่งต่างๆโดยเฉพาะร่างกายในการที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้แต่พอไปเห็นความจริงของร่างกายว่าจะต้องแก่ลงจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องตายไปในที่สุด พอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจะต้องมีวันเป็นไปจะไม่สามารถที่จะหาความสุขให้ไปได้ตลอดองค์ ก, ก็เลยทรงเห็นว่าวิธีการหาความสุขแบบนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้เป็นวิธีที่หาความสุขอย่างแท้จริง เป็นวิธีหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าความสุขที่ได้เป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเวลาปลาที่ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อลอยอยู่ในน้ำก็ไปฮุบเหยื่อแต่พอฮุบแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากสุกคนตกปลาลากขึ้นไปเอาไปท่าเอาไปแกงต่อไป นี่คือความสุขของในโลกนี้เป็นอย่างนี้ความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิน่นรสผพธภะชนิดต่างๆนี้เป็นเหมือนเหยื่อหลอกเราให้เราไปติดไปฮุบเหยื่อกันแต่ภายในเหยื่อนี้จะมีตะขอเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวปากหรือเกี่ยวใจของพวกเราให้ใจของเราทุกทรมาน กับสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดไปอาศัยเพราะ <c oughs> ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดไปอาศัยนี้มันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดไปหรือมีการเปลี่ยนสภาพไปพอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเปลี่ยนสภาพไปความสุขก็เปลี่ยนไปความสุขก็หายไป ความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ของต่างๆที่เราซื้อมานี่พอเราใช้ไปใช้ไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องเสียพอเสียมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาให้เราต้องมาแก้กันแล้วถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เรายิ่งเสียใจ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่ แล้วมันก็ต้องทำให้เราต้องไปหาอันใหม่มาทดแทนหามาเท่าไหร่มันก็เป็นปัญหาก็เจอปัญหาแบบเดิมกันหามาแล้วได้ของใหม่มาใช้ไปสักพักเหนียวมันก็เสียเดนียวมันก็เก่าเดนียวมันก็พังไปนี่คือสภาพความสุขของพวกเราเป็นความสุขที่ประเดียวระดาวเป็นความสุขชั่วคราว แล้วก็กลายเป็นความทุกข์ต่อไปพระพุทธเจ้าก็เห็นปัญหานี้จึงหาทางออกว่ามีวิธีอื่นไหมในการที่จะทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมาอาศัยสิ่งต่างๆก็ได้คำตอบจากพวกนักบวชเห็นพวกนักบวชนี้เขาอยู่แบบไม่อาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ให้ความสุขกับเขาเขาไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศเสริสน์จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆแต่เขาใช้วิธีหาความสุขจากการทําใจของเขาให้นิ่งให้สงบอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งของการหาความสุขซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้อง เพราะว่าเป็นวิธีที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยอะไรใจนี้สามารถผลิตความสุขให้กับตนเองได้ความสุขมีอยู่ในใจของตนเองแล้วแต่ไม่ไม่รู้เท่า น, นั้นเองไม่มีใครสอนเกิดมาก็มีแต่คนสอนให้ไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสโผฏพัชชนิดต่างๆกัน ไม่มีใครสอนว่าให้ไปหาความสุขจากการไปทำใจให้สงบกันซึ่งนานๆก็จะมีคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้อย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้แล้วก็เอาวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งมาเผยแผ่สั่งสอนใครที่ได้สัมผัสกับ วัดว า, ารามกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขเอกรูปแบบหนึง่งความสุขที่จะทำให้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขพอไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งบุคคลต่างๆ ใจก็ไม่ต้องทุกกับร่างกายของตนเองไม่ต้องทุกกับทุ ก, กับร่างกายของคนอื่นไม่ต้องทุกกับความเสื่อมเสียความเปลี่ยนแปลงความสิ้นสุดของสิ่งต่างต่างเพราะว่าใจสามารถมีความสุขในตัวของตนเองได้ด้วยการควบคุมใจให้สงบนิ่ง ให้ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าในการที่จะแก้ปัญหาของความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกา ย, เ ก, ย, กาย เ, เกี่ยวกับลาบยศชะลเสริญเกี่ยวกับรูปเสียงกิ่นรสโผฏพลาชนิดต่างๆ ต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศ ส, สรรเสินสุขอย่าไปหาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าของเหล่านี้เป็นของชั่วคราวแต่ใจนี้มันไม่ได้เป็นของชั่วคราวใจมันเป็นถาวรใจต้องมีความสุขอยู่เรื่อย ถ้าไปหาความสุขจากของชั่วคราวพอของชั่วคราวมันหมดสภาพลงความสุขที่ได้จากของชั่วคราวก็หมดไปมันก็เลยทำให้ใจนี้ต้องคอยไปหาอันอื่นมาทดแทนหาหาร่างกาย อ, อื่นมาทดแทนเช่นพอร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็แยกออกจากร่างกาย แล้วใจก็ไปคอยรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้กลับมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกรอบหนึ่งใจเราก็จะทำอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆจำนวนของร่างกายที่เราได้มานี้นับไม่ถ้วนนับเท่าไหร่ก็นับไม่ไหว เพราะว่ามันไม่มีวันหมดมันมมันไม่มีวันจบเพราะสิ่งที่ทำให้เราต้องมาหาร่่งกายอยู่เรื่อย ๆ, ๆก็คือความอยากนี่ความอยากนี้ถ้าตราบใดยังมีอยู่ในใจของเราอยู่ยังอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาร่่งกายอันใหม่มาทำต่อความอยากมันจะเป็นตัวผลักดันใจให้ไปรอรับร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆ นั้ปัญหาของเราก็จะไม่มีวันที่จะแก้ได้ถ้าเราหาความสุขแบบนี้ทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆทุกในการเลี้ยงดูร่างกายของเราทุกในการที่จะหาความสุขต่างๆทุกที่เกิดจากการหาลาบยศสารเสรินทุกที่เกิดจากการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโถดสภาพะชนิดต่างๆ ทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่มันตามมาเป็นผลที่ตามมาจากการที่เรามีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายกันถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีหาความสุขได้แานที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายเรามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกัน ซึ่งมีผู้รู้ผู้ฉลาดซึ่งมีจำนวนไม่มากที่นานๆานจะมีปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งคนอย่างพระพุทธเจ้าคนอย่างพระอาหารหันตสาวกนีท่านฉลาดท่านเห็นวิธีการหาความสุขผ่านทางร่างกายว่าเป็นวิธีหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขกัน วิธีที่จะหาความสุขต้องหยุดการหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันวิธีที่จะทำให้เราหาความสุขทางใจก็คือวิธีปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าภาวนานนี่เองภาวนาก็คือการควบคุมใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสง บ, บ และการที่จะทำให้ใจของเราที่ไม่ไม่รู้จักความสงบนี้สงบตัวลงได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการทำใจให้สงบนี้ก็คือสติเราต้องมีสติสตินี้ถ้าเปรียบเทียบ ก, ก็เป็นเหมือนเบรคของรถยนต์รถยนต์ทุกคันนี้จะต้องมีเบรคเพราะว่า เวลารถวิ่งไปแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้รถหยุดถ้าเราไม่มีเบรกเราจะหยุดรถไม่ได้รถก็จะวิ่งไปและอาจจะไปชนรถคันอื่นหรืออาจจะแหกโคงตกเหวไปก็ได้ถ้าไม่มีเบรกมามาคอยหยุดรถเวลาที่ต้องการให้รถหยุดตสติคือเบรกของใจ สิ่งที่สติจะเบรกได้ก็คือความคิดความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจของเราไม่นิ่งไม่สงบไม่มีความสุขไปถ้าเราสามารถสร้างสติขึ้นมาเพื่อมาหยุดความคิดของเราได้พอใจเราหยุดคิดแล้วเราจะพบกับความแปลกประหลาดนาศจันท ร, ร์ของใจคือความนิ่งสงบของใจ ที่เป็นความสุขอย่างยิ่งที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขทั้งหลายที่เราได้ผ่านทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นเงินทองกี่ร้อยกี่ล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านก็ตามไม่ว่าจะได้เป็นอะไรก็ตามเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามความสุขที่ได้จากการ ได้เงินได้ทองได้ยศได้ตาแหน่งมานี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมก็คือรสของความสงบนี่เองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ เป็นความสุขที่ไม่ต้องพงึ่งพึ่งพาสิ่งต่างๆที่เป็นของชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ต voilà. <cessors Senin S 2> ้องพึ่งร่างกายเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งลาบยศสารเสริญเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะเป็นความสุขที่ต้องพึ่งสติในเบื้องต้นแล้วก็พึ่งปัญญาในขั้นต่อไปจก อธิบายว่าทําไมต้องพึ่งปัญญาด้วยไม่ใช่พึ่งสติเพียงอย่างเดียวแต่เบื้องต้นนี้เราต้องพึ่งสติก่อนพึ่งสติเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนเหมือนเหมือนติดเบรกให้กับรถยนต์ถ้าเราขับรถไปแล้วพอถึงเวลาที่เราจะหยุดเราเหยียบเบรกแล้วรถไม่หยุดนี้เรารู้แล้วว่าเบรกเสียซะแล้ว ถ้าเรารู้วเบรกเสียงเราจะไม่กล้าขับรถไปไหนเราจะพาเข้าอู่ลากรถเข้าอู่ให้ช่างเขาติดเบรกให้เรียบร้อยก่อนถึงจะขับรถออกไปใหม่ได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราถ้าไม่มีสติคอยหยุดความคิดแล้วความคิดนี้มันจะเป็นตัวพาให้เราไปเจอกับความทุกข์ต่างๆ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามทํากันถ้าเราต้องการที่จะไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ทางร่างกายไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆเราก็ต้องมาสร้างสติกันให้ได้สร้างสติเพื่อที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้เพราเมื่อใจนิ่งสงบแล้ว เราก็จะได้มีความสุขกันพอเรามีความสุขทางใจแล้วความสุขทางร่างกายก็จะบทดความหมายไปเองเพราะว่ามันเทียบกันไม่ติดความสุขทางใจกับความสุขทางร่างกายนี้เหมือนฟ้ากับดินแต่ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบด้วยสตินี้มันยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ มันสุบชั่วขณะที่เวลาใจหยุดคิดขณะที่เรามีสติกําลังมากพอที่จะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้ความสงบก็เกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นแต่เนื่องจากสติของเรานี้ยังมีกํำลังน้อยในเบื้องต้นนี้ก็จะได้เพียงชั่วเดี๋ยวเดียวบางทั้งบางข่าวเป็นเพียงชั่วแค่ ง, งูแบลบลิน ครั้งแรกๆนี้จะเป็นเหมือนกับงูแลบลิ้นหรือเหมือนกับฟ้าผ่าฟ้า แ, บแลบเพราะสตินี้มีกำลังไม่มากมีพอที่จะหยุดความคิดได้ชั่วขณะหนึ่งขณะที่จิตสงบนิ่งได้ชั่วขณะหนึ่งนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิคณิกะแปลว่า ขณะหนึ่งคำว่าคณิกะนิปามาจากคำว่าขณะหนึ่งขณะคณิกะสมาธิเป็นความสงบเชื่อหนึ่งขณะเชื่องูแลบเป็นหรือเชื่อฟ้าแลบแต่ความสงบหรือผลที่เราได้จากความสงบของใจนี้มแม้ว่จะเป็นเพียงชื่อแป๊บเดียวก็ตามแต่มันจะทำให้เราเห็นควา ม, มหาัศจรรย์ของความสงบอันนี้ มันจะสร้างความประทับใจให้กับเราและมันจะเป็นตัวที่จะคอยดูดใจเราให้พยายามเจริญสติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อันนี้ขั้นแรกของการเจริญสติเมื่อเรามีกำลังพอเราก็จะหยุดความคิดได้ชั่วหนึ่งขณะแต่การที่จะได้สติขนาดนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่าย เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเจริญสติตลอดเวลาที่เราตื่นเลยเพราะว่าเวลาใดที่เราไม่ได้เจริญสติเวลานั้นใจของเราก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็จะไปคิดไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความอยากต่างๆให้เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆงนั้นวิธีที่เราจะหยุดความคิดได้นี้เราต้องเจริญสติ อย่างต่อเนื่องใน ท, ทุกเวลาตั้งแต่ที่เราตื่นขึ้นมาทุกเวลาที่เราตื่นนี้เราต้องหยุดความคิดให้ได้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็นที่จะต้องคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดอย่าไปคิดเนี่ถ้าเราสามารถคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ด้วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งการที่เราจะมีสตินี้สามารถ ใช้มีวิธีทําให้เรามีสติได้หลากหลายด้วยกันวิธีต่างๆนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานสี่สิบก็คือวิธีสี่สิบวิธีในการที่เราจ ะ, จะเจริญสติกันในการที่เราจะหยุดความคิดกันกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นเป็นกรรมฐานชนิดต่างๆที่ ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ได้ตามระดับของการปฏิบัติในระดับต้นๆ น, นี้ท่านให้เลือกใช้อนุสติก่อนกรรมฐานนี้มีแบ่งไว้เป็นกลุ่มๆอนุสติมีสิบชนิดแล้วก็มีอสุภะก็สิชนิดอสุภะก็คือซากศพสิชนิดแล้วก็มี นิมิตมีอะไรอีกสิบชนิดด้วยกันจำไม่ได้หมดต้องต้องเปิดดูในตำราว่ามีกี่ชนิดมีอย่างไรบ้างแต่สำหรับการเริ่มต้นนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้ทั้งหมดทั้ง4ี่สิชนิดเพราะว่าแต่ละชนิดนี้มีอาจจะมีไว้เหมาะกับคนที่มีจลิตไม่เหมือนกัน คนที่มีระดับของการปฏิบัติไม่ไม่เหมือนกันเป็นเหมือนกับอาหารต่างๆที่เราไปร้านอาหารนี้เขาจะมีอาหารหลากหลายด้วยกันเพราะว่าคนที่ไปรับประทานอาหารนี้มีความชอบอาหารชนิดต่างๆกันแล้วก็มีเพศมีวัยที่ไม่เหมือนกันมีอาหารให้เด็กรับประทานอาหารให้ผู้ใหญ่มีอาหารให้คนแก่แต่ก็เป็นอาหารเหมือนกัน กินแล้วก็จะทำให้ร่างกายอิ่มเหมือนกันสติหรือกรรมฐาน40ก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนอาหารที่จะมาใช้ในการทำใจให้สงบทำใจให้อิ่มทำใจให้หยุดความคิดได้แต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติในเบื้องต้นนี้จะนิยมเอาอนุสติซึ่งมีอยู่สิบชนิดด้วยกันะยกตัวอย่างให้ฟังบางชนิด แต่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งสิบชนิดเช่นอนุสติสิบมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติพุทธานุสติก็ให้ละเลิกถึงพระพุทธคุณธรรมานุสติก็ให้ละเลิกถึงพระธรรมคุณสังขานุสติก็ให้ละเลิกถึงพระสังฆคุณจะด้วยการวิธีส่วน บทพระพุทธคุณไปก็ได้เช่นอิติปิโสภักขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือจะใช้การลลึกชื่อของพระพุทธเจ้าก็ได้คือพุทโธพุทโธไปถ้าเป็นธรรมโมถ้าเป็นธรรมานุสติก็ธรรมโมไปหรือสวาะขาโตพระกวาตาธรรโมไปถ้าสัง ข, งขานุสติก็ละลึกถึงสุปฏิปันโนไปหรือสังโฆไป อันนี้แล้วแต่ผู้ปฏิบัติว่าจะจะเอาแบบไหนในในระดับของจิตของตนเองบางท่านอาจจะเอาพุโทโธในตอนต้นเริ่มต้นด้วยพุโทโธไม่ได้มันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันจะหนีไปคิดอยู่เรื่อยๆก็ให้สวดอิติปิโสไปก่อนสวดบทพุทธคุณไปก่อนหรือสวดบทพ่อธรรมคุณประสานคคคุณไปทั้งสามมันพร้อมกันตามลาดับก็ได้ จเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธโธธรรมโอสังโฆก็ได้หรือจะพุทธทางสระนังกะฉามิธรรมังสระนังกะฉามิสังฆังสระนังกะฉามิก็ได้เหล่านี้เป็นวิธีจเจริญสติเพื่อให้ใจเราหยุดคิดเพราะใจเราต้องหันมาคิดกับเรื่องของการจเจริญสตินี่เวลาเราจเจริญพุทธานุสติเราจะไปคิดถึง คนนั้นคนนี้ไปที่นั่นที่นี่ไปทำงานที่นูน่นที่นี่มันก็คิดไม่ได้ถ้าเราตั้งใจที่จะอยู่กับบทสวดอย่างเดียวมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แต่ตอนต้นใหม่ๆนี้มันยังอาจจะหนีไปคิดได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสวดอย่างจรงิงจังที่จะเราเละึกราลิกถึงอย่างจรงิงจังเราลึกปั๊บเดี๋ยวราแวบไปคิดถึงอันนั้นอันนี้ละอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่เราเริ่มต้นจเจริญสติกัน เราจะไม่สามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับกรรมฐานเพื่อหยุดความคิดของเราได้ทันทีทันใดยกเว้นคนที่มีสติมากแล้วนีพอให้อยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวพอให้อยู่กับบทไหนกรรมฐานบทใดก็จะสามารถอยู่กับกรรมฐานบทนั้นได้อ น, นุสตินอกจากมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็มีอาณาปณสติ อานาปานสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับการหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานแปลว่าลมเข้าลมออกสติอานาปานสติให้มีสติให้มีระลึกให้มีการระลึกรู้อยู่กับลมเข้าหรือลมออกถ้าเราจดจ่อคอยเฝ้าดูลมเข้าลมออกใจของเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แต่ก็อย่างที่พูดนีในเบื้องต้นมันจะไม่จดจ่ออยู่อย่างต่อเนื่อง จดจอได้แวบเดียวมันเผลอไปคิดถึงคนนั้นละเผลอไปคิดถึงคนนี้ละอันนี้เป็นเรื่องปกติของผู้ที่เริ่มต้นงั้นไม่ต้องไปแปลกใจไม่ต้องไปรู้สึกท้อแทบเดินไหนแต่ถ้าเรามีความเพียรความพยายามที่จะเจริญอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกาะติดอยู่กับกรรมฐานที่เรากาหนดไว้ได้นอกจากอานาปนสติก็มีกายะกะตาสติ คือการใช้ร่างกายเป็นที่ระลึกเป็นที่ผูกใจให้หยุดคิดได้เหมือนกันคือให้เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ตรงไหนอยู่ในท่าไหนท่านอนพอลุกขึ้นมาก็รู้ว่ากำลังอยู่ในท่านั่ง พอยืนลรวก็รู้กำลังอยู่ท่ายืนกำลังเดินก็รู้อยู่กับท่าเดินกำลังไปทำธุระอะไรต่างๆก็ให้รู้อยู่กับอิรยาบถนั้นไปอันนี้ก็เป็นกายกตาสติการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของของของใจเพื่อให้หยุดคิดนอกจากนั้นก็ยังมีมีอีกอย่างก็คือมรณานุสสติ ให้เราเลิกถึงความตายก็ได้เพอะเราเลิกถึงความตายนี่ใจมันจะหยุดกึกขึ้นเลยถ้าเป็นคนที่ใจกล้าหานที่กล้าจะคิดถึงความตายเวลาเพอ้อฝันเพอ้อเจอคิดปรุงแต่ ง, ส ร, งสร้างนู่นสร้างนี่สร้างสวรรค์สร้างวิมานสร้างสมบัติสร้างอะไรต่างๆพอให้นึกถึงความตายปั๊บมันก็สะลุ้งเลยจะสร้างไปหาอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วหยุดคิดได้ทันทีเลยนี่คือ กรรมฐานที่อยู่ในกลุ่มของอนุสติยังมีอยู่หลายตัวที่ไม่ได้เอามาพูดถึงเพราะว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่ามัน ไ, ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะใช้กันส่วนใหญ่เราจะใช้ในกลุ่มนี้ในกลุ่มพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์ทำว่าวเช้าวัดอย่างนี้ก็เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ แต่เป็นการและเป็นการเจริญน้อยไปทําแค่วันลาเช้าเย็นเท่านั้นเองการเจริญสติในเชิงปฏิบัติที่แท้จริงที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่ต้องเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่มีงานอยอื่นต้องทาสาหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต้องเป็นพวกที่ว่างจากภารกิจการงานต่ง า, นางๆถึงจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง พวกที่ยังต้องทำหมากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่นี่โอกาสที่จะเจริญสติเพื่อให้ทำใจให้สงบนี้มีน้อยมากมีเวลาน้อยมากเพราะจะต้องเอาเวลาเอาความคิดไปคิดในเรื่องการทำหมากินต่างๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บริหารจัดการดูแลทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ายังมีภารกิจการงานเหล่านี้อยู่แล้ว การที่เราจะมาเจริญสติเพื่อให้หยุดความคิดได้นี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปได้ยากมากเวลานั่งสมาธิก็จะไม่สามารถนั่งแล้วทาใจให้สงบได้คนส่วนใหญ่มักจะบ่นอย่าว่าเวลานั่งสมาธิแล้วใจฟุ้งใจฟุ้งใจคิดเรื่องนุ้นเรื่องนี้คิดไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีสติและไม่มีเวลาฝึกสติไม่มีเวลาเจริญสติมาก่อน พอเวลามานั่งเข้าจริงๆก็ทำได้อย่างมากก็แค่สว่นสวนใช่ไส่วนบทอิติปิโสส่วนบทพุทธคุณส่วนบทแผ่เมตตาส่วนบทเจริญมนานุสติอะไรเท่านี้เองก็ทำได้เพียงแค่เล็กๆน้อยๆนั่งนั่งสมาธิก็อาจจะทำให้ใจรู้สึกเบาลงนิดหน่อยความคิดลดลงน้อยหน่อยเท่านั้นเองแต่ยังไม่ถึงกับขั้นที่ไปเจอความหยุดนิ่งอย่างเต็มร้อย โอกาสที่จะเจออย่างนี้ยากมากแต่นี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เกิดความท้อแทบเบื่อไหนพูดเพื่อให้ให้เราเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะได้ผลเนี่ยสามารถทำได้แต่เราต้องทำอย่างจริงจังทำอย่างต่อเนื่องไม่ทำภารกิจอย่างอื่นคนเขาถึงไปบวชกั น, นคนที่เขาไปบวชเพราะเขาเคยลองฝึกตอนที่เขาเป็น เป็นคาราวาเป็นผู้ครองเรือนเขาเห็นว่าการเป็นผู้คลองเรือนนี้การที่จะเจริญสติให้หยุดคิดบ้างนี้ทําได้ยากมากเพราะว่าจะต้องมีเหตุการณ์มีเรื่องราวต่างๆมีภารกิจการงานต่างๆที่บังคับให้ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยให้ไปคิดอยู่เรื่อยเปื่อยจึงไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้จะหยุดได้ก็ช่วงเฉพาะเวลาที่ไม่มีเวลาช่วงเวลาพัก พักงานเช่นเวลาพักเที่ยงพักกลางวันหรืออะไรทํานองนั้นก็อาจจะมีเวลาสักแป๊บหนึ่งไว้สําหรับมาควบคุมความคิดอยู่ความคิดได้เท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการต่างๆอยู่ตลอดเวลายังไม่สามารถที่จะมีสติพอที่จะเวลานั่งสมาธิแล้วทําให้ใจสงบให้เป็นคณิกะสมาธิขึ้นมาได้ คนที่บางคนอาจจะมีวาสนาเดิมมีสติมาบ้างแล้วพอทดลองนั่งสมาธิทั้งสองครั้งก็จิตก็อา จ, จะสงบได้แค่าวาบหนึ่งแต่ถ้าได้สัมผัสกับความสงบนะเป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วนี้จะทำให้เกิดมีความยินดีมีความพอใจมีฉันทะมีวิริยะที่จะพยายามเจริญสติให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ปฏิบัติเพื่อที่จะทำใจให้สงบให้ได้มากขึ้นในพวกนี้ถ้าได้สัมผัสกับคณนิกะสมาธิแม้แต่เป็นเพียงแค่แวบเดียวครั้งเดียวใจนี้จะมีความผูกพันทันทีและจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการมาฝึกสติการมานั่งสมาธิให้มากขึ้นไปตามลำดับมีงานมีการอะไรก็จะพยายาม ดูช่องทางในการลดละการงานต่างๆให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆเพื่อให้มีเวลาว่างให้มากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่นะยิ่งมีโอกาสที่จะได้เจริญสติได้มากขึ้นไปเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นเหตุที่จะทําให้เรามีผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิก็คือเราต้องมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานอื่นๆเพื่อที่เราจะได้ใช้สติใช้การเจริญกรรมฐานเพื่อมาคอยหยุดความคิดต่างๆแต่ถ้าเรามีภารกิจการงานเราไม่มีเวลาว่างเราหยุดความคิดไม่ได้เพราะภารกิจการงานมันบังคับให้เราต้องคิดคิดให้เราดำเนินภารกิจต่างๆไปให้สำเร็จรู้ร่วงไปการจะทำอะไรสำเร็จรู้เรื่อง มันก็ต้องใช้ความคิดถึงจะสาเร็จได้แต่ในทางธรรมนี้การที่เราจะสําเร็จรู้เรื่องในทางธรรมด้านนี้เรากลับต้องหยุดความคิดกันมันไปคนละด้านกันไปคนละทิศคนละทานกันทางโลกนี้ต้องคิดคิดบ่อยๆคิดหาวิธีจัดการกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดหาวิธีหาไรายได้เพิ่มอะไรต่างๆต้องใช้ความคิดถึงจะสําเร็จในทางโลกแต่ในทางธรรมกลับเป็นทางกลับกันไป การที่เราจะสำเร็จในทางทำได้เราต้องหยุดคิดให้ได้ถ้าเราหยุดคิดไม่ได้นี้ใจของเราจะไม่นิ่งไม่สงบจะไม่มีความสุขแล้วมันจะทำให้เราไม่มีกำลังใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่สูงกว่านั้นได้อนอกจากขั้นสมาธิแล้วเราอย่างต้องไปขั้นคือขั้นปัญญาก่อนแต่ขั้นขั้นแรกนี้เราต้องเอาสมาธิให้ได้ก่อนต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะว่า ถ้าไม่หยุดความคิดใจก็ไม่นิ่งไม่สงบถ้าไม่นิ่งไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขมันก็เลยต้องกลับไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสีแล้วพอไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปทุกข์กับมันนีกอันนี้เป็นปัญหาของผู้ที่ปฏิบัติกันในเริ่มในเบื้องต้นนี้ คือการหาความสุขในสองรูปแบบนี้บางครั้งก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามเวลาเราเริ่มต้นถ้าเราเชื่อว่าความสุขทางใจนี้เป็นเป็นทางลอดของลอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราก็อา จ, จะยินดีที่จะทุ่มเทเวลามเวลาเท่าที่เราจะสามารถหามาได้แล้วยามหาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนสามารถที่จะหาเวลามาให้กับการสร้างความสุขทางใจเพียงอย่างเดียวมันไม่ยากหรอกถ้าเรามีความเชื่อหรือถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบของใจแล้วมันจะทำให้เราเกิดความกล้าหาญขึ้นมากล้าที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราจากการพึ่งพาสายร่างกายพึ่งพาสายลาบยศสารสนสุขมาให้ความสุขกับเรามาเปลี่ยนเป็นการหาความสุขจาก การปฏิบัติธรรมการเจริญสติการเจริญปัญญาตามลาดับต่อไปอันนี้เราต้องมีอย่างได้อย่างหนึ่งอย่างแรกก็คือสอาด จ, จะเป็นศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าเนี่ยทางที่ดีที่สุดทางรอดของเรารอดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่ถาวรนี้เราต้องมาหาความสุขทางใจกันเป็นทางเดียวเท่านั้น ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับเราที่จะทําให้เราลอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรายัางจะต้องเผชิญต่อไปเช่นความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่เรายัางจะต้องเจอกันถ้าเรายังไม่สามารถเข้าถึงความสุขทางใจได้ให้เราเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ได้ สามารถเข้าถึงความสุขทางใจได้อย่างเต็มร้อยสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได้อย่างเต็มร้อย<ม>แล้วเมื่อทงได้หลุดพ้นได้พบกับความสุขทางใจอย่างเต็มร้อยแล้ว<ม>ก็เอาวิธีที่ท่านได้ทรงปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอน<ม>ให้พวกเรามาปฏิบัติกันคนที่มีศรัทธายุคแรกๆที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมนำมาไปปฏิบัติก็สามารถเข้าถึงความสุขเต็มร้อยของใจได้หลุดพ้นกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเอาความรู้เอาความสุขทางใจนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไปแล้วก็มีการสั่งสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ก, กันมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ อย่างนั้นพวกเราถ้ามีความเชื่ออย่างนี้ว่าคําสอนของพระุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ไม่ศูนไม่ศูนย์เปล่ามีเหตุมีผลผู้ใดที่สามารถปฏิบัติตามได้เต็มร้อยสามารถได้รับผลได้อย่างเต็มร้อยเพราะมีผู้ได้รับผลมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ ใครก็ได้ไม่สำคัญว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็ตามถ้ามีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้เรื่องของการสร้างความสุขทางใจว่าอยู่ในวิสัยของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะผู้ครองเนินถ้ามีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติรับประกันได้ว่าจะต้องเข้าถึงความสงบนี้ได้อย่างแน่นอน อันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นตัวนึงดูดให้เรานี้เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถ่าให้หันมาหาความสุขจากการเจริญสติจากการนั่งสมาธิกันอันนี้เป็นเป็นเครื่องดึงดูดใจของผู้ที่จะมาปฏิบัติต้องมีความเชื่อมั่นต้องศึกษา วิธีของพระพุทธเจ้าต้องดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะไปบวชท่านก็หาความสุขผ่านทางร่างกายหาความสุขจากราบยศเสริเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและของต่างๆที่พระ อ, องค์มีให้ความสุขกับพระองค์อองก็เป็นของไม่เที่ยงจะต้องมีวันพัดพากจากกัน เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ทรงเปลี่ยนวิธีไปหาความสุขแบบนักบวชดีกว่าแล้วก็สามารถพบกับความสุขเต็มร้อยได้เป็นความสุขที่ถาวรไม่ต้องมาทุกข์กับอะไรต่อไปสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมันก็เลยทำให้พระพุทธเจ้านี้ถ้าเราศึกษาประวัติตัวอย่างของท่านและคำสอนของท่านและมีความเชื่อ มันก็จะเป็นตัวดึงดูดให้เรามีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติเพื่อที่จะทำใจให้สงบให้ได้อันนี้เป็นเป็นสิ่งดึงดูดใจในประการแรก<ม>คือศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าหรือในตัวของพระอาลันตสาวกทั้งหลายศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีที่จะทำให้เกิดศรัทธาก็คือต้องศึกษาบ่อย ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าฟังเรื่องราวของพอระอาจารยตสาวกฟังบ่อยๆฟังเยอะๆฟังให้จนกระทั่งเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจว่าพระเจ้าเจ้านี้ท่านทำอะไรและท่านสอนให้เราทำอะไรเมื่อเราเข้าใจแล้วแล้วรู้ว่าผลที่ได้เป็นของที่เลิศที่ประเสริฐมันก็จะทำให้เราเกิดมีศรัทธาที่จะเพียรพยายามเปลี่ยนวิถีการหาความสุข เลือกหาความสุขผ่านทางร่างกายกันแล้วมาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิกันนะนะนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องหนึ่งดูดใจของเราในเบื้องต้นต้องมีศรัทธาแล้วพอเราได้ปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราจะได้สัมผัสกับความสงบพอได้สัมผัสกับความสงบครั้งแรกนี่มันนีมันจะเป็นตัวเสริมศรัทธาให้มีพลังยิ่งกว่ามากกว่าศรัทธาที่เราได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะศรัทธาที่เราได้จากการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังเป็นเหมือนกับเป็นการจินตนาการวาดภาพอยู่แต่พอเราได้มาปฏิบัติได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดจากการปฏิบัตินี้มันจะทําให้เราเห็นของจริงเลยเห็นความเป็นจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นอย่างไรมันจะทําให้เรามีความเชื่อมั่นในการศึกษาในการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า มันจะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมีความกล้าหาญที่จะตัดสิ่งต่างๆที่เราเคยพึ่งพาอาศัยให้ออกไปจากใจของเราเราหันมาพึ่งการเจริญสติการเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปการเจริญสติให้ความสงบแบบชั่วคราวพอเราได้ความสงบแบบชั่วคราวลราก็ต้องมาเจริญปัญญาเพื่อทำให้ความสงบที่ได้จาก การจเจริญสติแบบชั่วคราวนี้กลายเป็นความสงบแบบถาวรต่อไปอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่เราจะต้องค่อยๆศึกษาแล้วค่อยๆปฏิบัติไปเรียนรู้มากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันจะกลายเป็นเป็นสัญญาความจำแล้วก็กลายเป็นความคิดปรุงแต่งทําให้เราฟุ้งซ่านกับกับธรรมะที่เราเรียนได้ดังนั้นให้เราเรียนเท่าที่เราควรจะรู้ในในเบื้องต้น ลงต้นให้เรารู้วิธีหยุดหยุดความคิดให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนไปตามภาวะถ้าเรามีการเคลื่อนไหวก็อาจจะใช้การเจริญพุทธานุสติท่องพุทโธไปหรือจะใช้การเฝ้าดูร่างกายไปเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้อันนี้ต้องต้องสลับการเปลี่ยนกรรมฐานไปตาให้เหมาะกับ กับกับเหตุการณ์เพราะเราไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆตลอดวันเรามีการเคลื่อนไหวเวลาการเคลื่อนไหวนี้ดูลมอาจจะดูยากก็ให้มาดูร่างกายแทนนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเรามาเรียนรู้กันในวันนี้ให้เราเห็นเห็นคุณเห็นโทษของการหาความสุขที่เรากาลังหากันอยู่และมีทางออกให้เราเปลี่ยนจากการหาความสุขที่เรากาลังหากันอยู่ ไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์<ม>เหมือนกับดังที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเล่าเรียนและต้องตัดสินใจเองว่าจะไปในทิศทางไหดต่อไปผู้สอนก็เป็นเพียงแต่เป็นผู้บอกให้รู้เท่านั้นเองแต่ผู้ที่จะตัดสินใจปฏิบัติหรือไม่ก็อยู่ผู้ฟังอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อและความเพียพรพยายาม ที่จะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวะริกวาหาบุราปาริกบุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกาปติอิชิตงังปัติตงังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพบริ่นตุสังกะปาจันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโววินาศตุมเตปะวัตะวันตาาโยสุขีทีฆายุโกภวะ อาพิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวัฏานติอายุวนโสุขังภาลางัางลาดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดียวเท่านั้นที่จะตอบคำถามให้หลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่สามารถตอบได้เพราะมีภารกิจอย่างอื่นต้องทําต่ออยากจะถามก็เข้ามาถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือส่งข้อความเข้ามาทางเพจก็ได้ทาง youtube ก็ได้แล้วจะมีทีมงานนำมามาอ่านตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ กับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะหน้ากุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ492 YouTube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์236 YouTube Dr.V Channel 122วิทยุออนไลน์6ครับ H ฮาส์12หน้ากุด120รวมทั้งหมด988ชัท่านค่ ะ, ะเจอนานได้เลยคาถาม คำถามแรกจากผู้รับฟังนากุดคะ่ะเวลาไปทำบุญจะเขียนชื่อยาาและลูกหลานลงในใบอนุโมทนาบาัตรและส่งลายไปบอกให้อนุโมทนาบุญถามว่าเขาจะได้บุญไหมคะถ้าไม่ใช่เป็นเงินของเขาก็ไม่ได้ต้องเป็นของเขาเขาฝากมาให้ได้เป็นของใครของมันถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องเสียสละของของเราไปถึงจะได้บุญ ให้คนอื่นเขาทํมาให้เราเราไม่ได้ดูเพราะไม่ใช่ของเราคำถามถัดไปจากคุณแสงชัยครอบครัวมีอาชีพทำประมงจำเป็นต้องตัดชีวิตสัตว์น้ำเพื่อหาไรายได้เป็นไรายได้หลักขาดทุนบ้างกำไรบ้างส่วนใหญ่จะยิ่งทายิ่งเครียดครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าบาปไหมและขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ การฆ่าสั ต, ตว์ตัดชีวิตด้วยด้วยการทามาหากินก็บาปอันก็ถ้าเลียเ้ยงได้เปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนไปดีกว่าไปทำงานเก็บขยะหรืออะไรก็ยังดีกว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าจะรายได้จะน้อยกว่าแต่มันก็ไม่ต้องมาใช้บาปพราะคนที่เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์นี้ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปคิดดูก็แล้วกันถ้าเราฆ่าปลาจับปลามาเป็นแสนตัว ตายไปต้องกลับไปเกิดเป็นปลาแสนครั้งมาใช้กรรมแต่ละครั้งไปกว่าจะหมดกรรมนี่กว่าจะได้กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยาวนานแต่ถ้าเราไปเป็นคนเก็บขยะนี่ตายไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยไม่ต้องไปใช้กรรมยันอย่าไปเสี่ยมกับการที่เราจะหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราโดยค่าเอาชีวิตของผู้อื่นมามาแลกต่อไปเราต้องชดใช้ชีวิตที่เราเอามา ให้คนอื่นต่อไปในครบหน้าชาติหน้ายัานพยายามหลิกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้ว่าด้วยเหตุผลกลไกใดก็ตามคำถามถัดไปจากคุณเกียวทํายังไงผมรู้แต่ผมซู้กิเลสตัวเองไม่ได้นะครับใช้พุทโธเนี่ยชูเฉยไม่ได้หรอกต้องใช้พุทโธต้งเกิดกิเลนกบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าไม่เกิดกิเลสก็ซ้ำไว้ก่อน ทำมันไปเรื่อยๆกิเลสมันกลัวพุโทโธมันไม่กลัวใจเราหรอกเรารู้มันไม่กลัวเราแต่มันกลัวพุโทโธแต่เราไม่เอาพุโทโธมาใช้กันคำถามถัดไปจากคุณแดงสิงโตทองเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพุทธวจนะและพระไตรปิฎกเป็นคำสั่งสอนแนวทางพระพุทธเจ้าไหมเจ้าคะก็พุทธวจนะก็เป็นคพูดของพระพุทธเจ้าไงวจนะ มันมาจาก พ, พุทธพธุนธพุทธพจน์พุทธวั จ, จะนะ น, นี่คาเดียวกันเป็นบาลีกับ ส, สันสกฤตแต่ว่าคําพูดของพระพุทธเจ้าคาพูดของพระเจ้าก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเห็นพระไตรปิฎกก็คือพระพุทธพจน์ข็งี้ คำถามถัดไปจากคุณชิตชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ประเพณีความเชื่อทําบุญใหญ่ทางภาคอีสานฆ่าวัวฆ่าควายจัดงานทําบุญจะได้บุญไหมครับได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปบุญก็ได้บาปก็ได้มันได้ไม่คุ้มเสียพูดง่ายๆต้องไปกายต้องไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้วฆ่ามาทําบุญไหมทาบุญแบบเอาผักเอาเาผักเอาอะไรมาถวายพระดีกว่าไม่ ไม่ไปไม่ทําบาปได้บุญเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องไปใช้บาปต่อไปตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเลระชาคําถามจากคุณมาลีกลับเรียนถามค่ะการพิจรารณาไตรักควรเริ่มต้นอย่างไรคะเริ่มต้นที่ร่างกายเราก่อนก็ได้ร่างกายเราันไม่แน่นอนไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายนี้คืออนิจจ์ไตรักไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้นี่ต้นไม้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟต่อเดียวมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป คำถามจากคุณจารุนีกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยากทราบว่าใจที่มันชอบไปจับผิดคนอื่นมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นทำยังไงจะหายเจ้าคะก็ย้อนสอนเสร็จแล้วมึง่ะเป็นยังไงไปแล้วไปดา่าใครแล้วมึงอะถามนี่มีคำพูดว่าความ ความชื่อของคนอื่นแม้เท่าผงทุลีก็เหมือนกล่องภูเขาความชื่อของตนเองแม้เท่ากลองภูเขาก็เหมือนเหมือนผงทุลีเรามักจะเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ย <Hey. S 1> เวลาเราทำในถิ่นเล็กเล็กน้อยน้อยไม่เป็นไรหรอกเวลาคนอื่นเขาทำในถิ่เล็กเล็กน้อยน้อยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาใหญ่โตขึ้นมาม <Hey. S 1> ีเป็นความคิดของกิเลส <Hey. S 1> ไม่ไม่ยุติธรรมไม่ความเสมอภาคไม่มองตามความเป็นจริง คำถามถัดไปจากคุณนัทศสิค่ะการเลือกที่จะตั้งมั่นทํางานด้วยความสุจริตไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ไปกระทบบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแทนตัวเราถือว่าเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอเป็นการสร้างความขัดแย้งขึ้นมาแลนะอาจจะทําให้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ผาสุกอาจจะจเป็นจะต้องแยกกันอยู่พระเจ้าถึงบอกให้เลือกเลือกคบคน เราเป็นคนดีแล้วก็คบกับคนดีคนชั่วก็ให้เาคบกับคนชั่วไปรวมกันไม่ได้เหมือนน้ากับน้ำมันมันมันมันไม่มมมันไม่เข้าหากันมันก็ต้องมีการขัดแย้งกันไปเรื่อยๆเพรฉะนั้นการที่เราจะลดความขัดแย้งลดปัญหาก็คืออย่าไปอยู่กับคนที่เขาทำสิ่งที่เราไม่ทำขัดแย้งกันหนูขอถามเพิ่มจากคำถามค่ะ แต่ถ้าเราจำเป็นยังต้องทำงานอยู่ด้วยกันก็ต้องทนไปก็ต้องทนนะถ้าไม่อยากจะทนก็แยกไปถ้าทนได้ก็ทนไปขอบคุณค่ะหรือถ้ายังไม่มีทางเลือกทางอื่นก็ทนไปก่อนพอมีทางเลือกที่ดีกว่าค่อยแยกทางไป คำถามจากคุณกุหลาบค่ะสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการนั่งสมาธิสวดมนต์ในใจทุกเช้าก่อนออกไปนอกบ้านถือว่าเป็นการเจริญสติเพื่อทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่เจ้าคะก็มีแต่ต้องเอาไปเจริญต่อไม่ใช่เจริญเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิเวลาไปทำงานก็ต้องมีการเจริญต่อเจริญกา ย, ยากรตาสติคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของของร่างกายเรา อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราทำอะไรแต่ถ้าเราไม่ทำต่อมันก็ได้แค่ขณะที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเราวางไว้ข้างๆเลยคำถามจากหน้ากฏค่ะกราบพระอาจารย์คำถามจากคุณนายจากนายประสิทธิ์เตคุณาธรเลี้ยงปลาสวยงามหลายตัวแล้วปลาตายผู้เลี้ยงบาปไหมครับ ถ้าตายโดยธรรมชาติแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่บาปบาปตรงที่เราไปกักขังเขาเช่นนี <c oughs> ้บาปไปเราก็อาจจะต้องไปเป็นตาให้ก็จับมาขังไว้ในกออ <c oughs> ทําอะไรอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมาหาเราให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้รู้ถึงโลกเขาหรืโลกเราว่าเป็นยังไงคําถามจากคุณแบมแบมค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ค่ะทําอารมณ์คืออะไรคะ ก็อารมณ์ต่าง ๆ, ๆที่เกิดในใจเราความดีใจเสียใจความโกรธความเกลียดความนิสัยอะไรต่างๆเรียกเป็นธรรมอารมณ์ตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีก็รอเดี๋ยวคือสิ่งที่เรามาสัมผัสรับรู้นี่มีอยู่หกทางด้วยกัน คือรูปเสียงกิ่นรถกทพะที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอย่างที่เราสัมผัสรับรู้ก็คืออารมณ์ต่างๆที่ปักมาทางใจแล้วก็มาสร้างเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ให้กับเราแล้วเราก็ต้องพยายามแก้มันเวลาเราเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็มีความทุกข์ไม่สบายใจเราก็ต้องหาวิธีแก้มัน แก้วิธีถูกก็มีวิธีที่ไม่ถูกก็มีวิธีที่ไม่ถูกก็ไปแทนที่จะไปแก้กลับไปเพิ่มปัญหาขึ้นมาอีกเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่าวิธีแก้สิ่งเหล่านี้ก็คือปล่อยวางปล่อยให้มันมาให้มันไปดเดี๋ยวมันก็ไปเองเราไม่ต้องทําอะไรดีที่สุด <c oughs> ถ้าไปทําแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องคอยแก้อยู่ดีื่อยๆซู่อยู่เฉยๆดีที่สุดนีด้จะอยู่เฉยๆได้ก็ต้องมีสมาธิต้องฝึกสมาธิให้มากๆ ให้มีอุเบกขาพอใครด่าเราก็เฉยเพราะด่าแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็จบแต่ถ้าเราไม่เฉยเดี๋ยวร็ด่ากลับเา้เาก็กลับมาด่าเราแรงกว่าเก่าเราก็กลับไปว่าเขาแรงกว่าเก่าเขาเลยมาทุบมาตีเราเดี๋ยวว่ากลายเป็นสงครามกึน <c oughs> <c oughs> นี่คือ ว, วิธีแก้ปัญหาทางธรรมก็คือ <c oughs> ต้องใช้ <c oughs> อุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตา เหมือนดินฟ้าอากาศเราอยู่กับดินฟ้าอากาศได้ไม่ค่อมีปัญหากับดินฟ้าอากาศใช่ไหมเพราะเราเฉยกับดินฟ้าอากาศวนจะตกก็ปล่อยมันตกไปฟ้าจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีไหมคําถามยังไม่มีค่ะนะโอเควันนี้วันตุรกีคงไปเที่ยวกันส่วนใหญ่ hmm. <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ยาโยมกลับไปเที่ยวต่อแล้วกันนะ <Okay. S 1> <laughs> โอเคก็พอสมควรใก่เวลา